ต, ต่อไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพอ่อชีววเรื่องศีลให้แกพวกเข้าในฟั่งในศึกษามีแต่งแต่เวลาพระสงฆ์ม่านังประจำที่ โกรกคณะชาท่านญาติโยมลูกหลานอย่างเมื่อนี้ละไหวาพาเสร็จแล้วก็อาราธนาศินเมื่ออาราธนาศินพระสงฆ์ที่เป็นประธานสงฆ์ก็หายสินแล้วก็จบกันอันนี้คือศาสนาพิธีแต่ผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังลูกหลานเกิดมาบ่ิยยนบ่ิฟังบ่ิศึกษาเรื่องของศีลธรรม ก็เลยถ้ำเป็นพิธีไปตามๆกันโดยที่บอสึ่งในศินลธรรมพอเหตุใดเพราะว่าบวาได้ศึกษาในรายละเอียดแต่ตามไม่จริงผู้ที่ได้ศึกษาในรายละเอียดบางคนก็พอศึกษาแล้วกับบอสึ่งในจิตใจทําให้จังว่าบอสึ่งในจิตใจก็คือเมื่อสมัยบวช ห้อก็เรียนรููเรื่องศิลธรรมเรื่องสินหามีคุณค่าจังไดสินแปดมีประโยชน์จังใดสิน t, ยี่สิบมีอย่างใดแต่ว่าพ่อซื้อกอกไปแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปอเนกตวบซึ่ะะงคันว่าซึ่งเห็นคุณค่าในหลักการรักษาศินศิลมีคุณค่ามีประโยชน์จังไดในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันก็นคือเดียวนี้อนาคตก็คือต่อไปภายภาคหนาคันว่าเฮ้างูจักคุ้นข่าของศีลแล้วยากหน่อยเข้าก็าเขารบเอหรือว่าเถิดทุ่นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั่นหลวงพ่อไปนันสถานที่ใดหลวงพอจะอธิบายหรือว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องลูกหลานทุกขูทุกคน เเพื่อได้ให้เข้าใจเรื่องศีลและธรรมมาวัอนี้คือเดี๋ยวมาวันนี้ก็เห็นลูกหลานญาติพี่น้องออกตนญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานมาไหวพระสมาทานศีลเพื่อเตรียมตัวจะทอดผ้าป่ามืออื่นหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็เอออุ่นอกอุ่นใจเห็นว่าพี่น้องลูกหลานยังคื้นเก้าอยู่ลงไปเผยเผยยังลายก็เก้าอีตังหากกันลงไป ที่เข้ามาสนใจเรื่องศีลธรรมอย่างนักแน่นอยู่คือเก่าเพราะฉะนั้นถึงจะนักแน่นแต่หลวงพ่อก็ยังคล้ายๆกับว่ายังเก่งใจอยู่วงั้นเถอะว่าลูกหลานเนี่ยเข้าเจอเรื่องศีลธรรมตีบอกนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อไป ในในที่ต่างๆจะได้อธิบายเรื่องศีลมาคราวนี้ก็คือเดียวนะ่ะจะอธิบายเรื่องศีลให้ฟังเป็นแนวทางครับอผู้ที่ห่้งแล้วก็เออบอกมีปัญหาอรู้แล้วะแต่ผู้ที่ยังไม่ได้รู้อแต่รู้ยังไม่ชัดตอนน่อไปก็จะเรียนให้มันชัดขึ้นจะได้เข้าใจเขออ้เาเจอดีขึ้นกว่าแต่ก่อนกันเข้าเข้เาเจอดีแล้วเ อ, อก็แปลว่าแล้วไป แต่คนที่เสมอเดียวมีได้เด้เออจีสลาดมีความหูความฉลาดเสมอกันมีได้แไม่ว่ายกใดสมัยใดมันคือกันกับนิ้วมือเฮานี่แหละอมีนิ้วสั้นนิ้วยาวอันนี้คือกันมีคนโง่มีคนฉลาดมีคนรู้มีคนมีรู้คานาวามได้อาศัยได้กินได้ยินได้ฟังเนาะจะได้รู้กันไปนะขันไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษานจะรู้ได้กังไดเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังไล หลายครั้งต่อหลายหนเพราะนั้นผู้ค้าจิตอธิบายให้คณะทัทาา่าญาติโยมทั้งหลายให้ฟังนะเรื่องศินฮาเนี่ยที่ได้กล่าวอรัตนามเมื่อกี้เนี่ยมายังพันเตวิทุงวิทุงรักคณะทายะติสระเนรสาหะปัญจศีลานิยาจามะบางครั้งก็บอกมายังพันเตติสระเนรสาหะปัญจศีลานิยาจามะ ขนาศิลก็ยังเป็นสองมาตรฐานแนวนอนไปรัฐอาราธนาศีลป์ห่าจะเป็นสองมาตรฐานคนละไป เ, เป็นอย่างเป็นอย่างมีสองมีสองอาราธนาแบบนี้คนละไปะเป็นเรื่อยๆอย่างมีวิวเนี่ยเดียวอันนี้พวกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอธิบายให้ฟังขึ้นเดียวพวกเขาพี่เห่าเจอขึ้นเดียวคนละไปเพราะนั้นเรื่องมายังพันเตติสลาเ น, นสหะปัญจศีลานิยาจามะเนี่ย แล้วผู้ค้าขอรักขอสมาธาสินมัดทางฮาคอพร้อมเดียวรักษาทั้งมัดให้ว่าเป็นกุ้มเดียวกันนะคเพื่อเป็นทงเดียวกันด้วยคือศีลฮาเนี่ยเป็นทงเดียวกันขันวมมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักษณะท้ายาะเนี่ยติสารเนรสาหะเนี่ยปัญจศีลานิยาจามะอันนั้รักษาศีลเป็นค ข, ข, ข, ข, ข้อคือคือเดียวกับป็นไส่ก อ, อกหัวไป หัดเป็นขอนะนน้อคอ้นนะนะอนเอาไปคือใสกอ่กอกนอนไปเนี่บยบันอธิบายให้ฟังนะวนเป็นข้อคอ้นก็เป็นถุงเนี่ยเป็นแนวเลอะกันนะการเป็นข้อคอ้นนี่คือผู้ค้ารักษาสินมี่สูงวิสูงหนึง่งคันว่าผู้ค้ารักษาสินไปรับรับสินไปแล้วนึ่นตงตบยุงนอนไปสินหาดไปคอ้นึังไปว่าใส่กอกนะหัดไปคอนนป้นยังนอนเอาไปยังอยู่ยังอยู่ซบันเนี่ คับคัดไปเชนไปไปขโมยของเขาอีกคน่ะไปไปขโมยของเขาค่าไปข้อหนึ่งคนละไปยังสามคนละไปไปประพิษทำประพิษประเวณีอีกฆ่าไปสามคนละไปยังสองไปขี้ตัวเขาอีกยังโยนึงหน่ะไปไปกินเหล้าออกไปมัดทั้งห้าคอนะไปอันนี้คือสินที่สูงที่สูง ผู้ค่าคอเป็นโคคอแต่มาอย่างปัเตติเชลเนนสหปัญจาศิลานียาจามาเนี่ยผู้ฆ่าจะพอรวบรวมทั้งมดทั้งฮาคอสินรักษาสินผู้ค่าผู้ฆ้าพรเจ้าจะรักษาสินทั้งฮาคอร่วมกันทั้งมดัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันคณะว่าพวกเฮาทำพิษคอนึ่งคอเลยเข้าไปกับไปว่าหาดคาดมดทั้งฮาคอเอาไป นี่แหละการขอสินเน่ยมายังพันเต๋อแต่อันใดดีนะหลวงพ่อว่าคันพูมีจิตใจแนวแน้มมันคงแล้วกอควรจะรักษาสินมายังพันเต๋อติชะเละสหปัญจศีลานี่เอาเป็นถุงได้วันออกไปเพราะอะได้นี่ว่าเอาเป็นถุงอคันเข้ารวดเขาจะเข้าจะกลวยเธอเดียวได้แม่นบ่หลองลวยคอรอรวดเทเลนมันก็มีดีขึ้นเดียวได้อโดยเธอหายซีบสตางเธอระฉลึงนะ ฟ้ามันเป็นร้อยเป็นล้านเ ป, ป็นโหลก่อนลงไปถ้ามันซีโร่ดะเพราะนั้นรักษาศีลทั้งห้าข้อเนี่ยหลวงพอ่อภู้าวันดีกว่านะอันนี้ก็คือมะยางพันเตการพอศีลบัตรมั น, นี้มากกล่าวถึงนมโมเนี่ยพ่ออารัสนาศีลเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พ่า น, นำวนานนโมได้บัตรนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสาัมมาสาัมพุทธะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มี พ, พ, ร, มม พ, พร ะ, า apolis, ะรภ า, มม า, ภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือความแปลนะแปลนโมได้เนี่ยนโมตัสสะพระคขวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือความแปลนโมเป็นอย่างเพิ่งยังเฮนอบน้อมคนบุรุษนันเพิ่งว่า พระพระเเจ้าเป็นบรมคู่เป็นพระสัสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเรื่องศีลและธรรมให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเข้าย่างมากใครท้าว่าเป็นผู้มีพระคุณในที่บัญญัติศีลและธรรมให้พวกเข้าได้ศึกษานี่ยข้านเขาพวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติ ตัวเฮาก็ล้มเย็นเป็นทุกพี่น้องลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองชุมชนใดก็เป็นสุกมัดคนมีศินขันค้นคนาดสินไปเริลยละแวงแข้งใจกันมีไว้ใจกัดเพราะใดเพราะคนบ่มีศินขันค้นมีสินไปเริ่มไว้เนื้อเสื้อใจกันได้เพราะนั้นเฮามาพิจารณาเบิ่งแล้วศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆเพราะฉนั้นเฮาจึงในก่อนเจ้าเจริรับศีลเฮาจึงในขอนอกน้อมพระพุทธเจ้าสักก่อน ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นเป็นผู้บัญญัติศีลให้พวกขาไปเจ้ารักษานี่เป็นมีมคุณค่ามีประโยชน์จริงอันนี้นคือนามโอจากต้านกระพุทธทางทำมัาางสงงัสาางขังสรนังคัตฉามิผู้ขาจิตเทีพระพุทธเจ้าพระถ้ำพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งดูเตยามเปี๊ข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สอง พุทธังทำมั่งสังขังสารานังคัจฉามิตาตียังปีพุทธังทำมั่งสังขังสารานังคัจฉามิข้าพเจ้าขาย อ, อยืนยันเป็นขั้งที่สามยืนยันถึงสามขัง้งจะ ย, ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งเป็นอย่างยึดเป็นสรณะเป็นที่พึง่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองแอบทัศนูโดยชอบพระองค์กันกองไตรตองด้วย พระไถยของพระองค์แล้ววาสีนธรรมมีประโยชน์ถาว่าพวกเขานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะล่มเย็นเป็นทุขทุกยกุกทุกสมัยอันนี้คือพระพุทธเจ้าจากนั้นประกาศเผยแผ่ออกมาเป็นพระธรรมพระธรรมคือขัามสอนพระพุทธเจ้าเอาขั้มสอนของพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นมาอีกค่อยๆว่าแต่งต่างเป็นกฎหมายหรือว่ากฎ ร, รัชธรรมมโนนงสัยละ่ะอันนี้เแปลว่าศีล แต่ตามไม่จริงกับสิ่ก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันนั่นลแหละนี่แหละคือพระธรำข้าสอนของพระพุทธเจ้าท่านีพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระถรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศ อ, ออกมาเผยแพร่ให้พวกเฮาได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือพระสงฆ์ขัน้นว่า บ, บ่มีพระสงฆ์นำพระธรรมคํามสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ มาบอกกล่าวให้แก่พวกเข่าพวกเข่าก็บมิหุจักเพราะนั้นเข่าจึงยึดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชัลณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเข่ายางสูงมากยางสูงส่งไปจากนั้นก็พระสงฆ์อย่างหลวงพอ่อจะนํานกล่าวเป็นองค์สินรรเป็นข้อข้อละบันี้ปานาติปาตาวเว ร, รมะนีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะงดเวทในการฆ่าถ้าว่าการฆากันพู้นี้ฆ่าพู้นั่นพู้นั่นฆ่าพู้นี้วงซ่าค้านายาดการฆากันเ่าเป็นพ้นดีพระพุทธเจ้าพนวัชชังสัตให้เข้าพวกเข้าคิดดูกันให้ดีก็แล้วกันคันว่าเข้าไปขาพ่อขาเมย์ขาลูกขาวงซ่าค้านายาดของเขาเขาก็เสียใจคําว่าเขามาขาเข้าก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจพอหนั้นพระพุทธเจ้ามายาฆากันเถอะ อันนี้คือศีลขอที่หนึ่งปาหน้าติป่าตาขอที่สองอาทิตหน้าท่าหน้าเวรมานี่ยาขโมยของกันเดอร์ขัน่าพวกเข้าไปขโมยผู้นี้ไปขโมยผู้นั้นผู้นั้นไปขโมยผู้นี้จะหาความสงบสุขมีไดในชุมชนในสังคมของพวกเฮามันขโมยเนี่ยรักขโมยมันใหญ่ขึ้นไปเลยเด็บางทีก็รักพอ่อรักแม่ลักลูกรักเมียบ่งสาค้านา ญ, ญาติเขาไปเรียกฆ่าไทยเลยมันเดือดร้อนไปหมด ผู้ใ ด, ดก็ระวังระหว่างของไผ่ของมันพ่อยไดเพาะขโมุยพู้ใโจรมันหลายหาความสงบหาความสงบสุขปีใดพ่อยไดเพาะขโมุยมากขันมีขโมุยมากนะจะมีความสุขไหมพระโพธเจ้าพระมหาความสุขบุรีเดอร์ขันพวกสุเจ้าพวกเฮาทั้งหลายขโมุยกันอันนี้คือศินข้อที่สองสินข้อที่สามกาเมสุมิชายจาราเวรามาณี สามีภรรยาลูกหลานของไผไผ ก, ก็ฮักไผกระสวนห่วงแหนเพราะเป็นตระกูลของตระกูลของเฮ้าขั่นผู้ใดมาลวงล้ําอธิปไตยของเฮ้าเฮ้าก็าเสียใจกระชากรากถูลูกหลานของเฮ้าโดยที่โ บ, บ, บ, บได้เขาหลบซิดของเฮ้าโบได้มาสูม้มาขอตามไปเพนี่เฮ้าก็าเสียใจอพอเนัน้นพระพุทธเจ้าเป็นวะ่ะยาไปลวงละเมิด อธิปไตยของผู้อนะื่นเน้อให้เคารพสิทธ์ซึ่งกันและกันเนะ้อเพราะว่าต่างคนต่างมีพวกเข้าแต่มีพอ่อพี่เมีย ม, มีลูกมีล้านให้เคารพสิทธ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินคอที่สามไอ้อที่สี่ 4, มุสาวาทาเว ร, รมณีสุกพวกเข้าทางหลายอย่าไปโกหกต่มตุลหลอกลวงกันเนดะ้อขันว่าผู้ใดก็ตามต่อมตุลโกหกหลอกลวงกัน เอาเงินปลอมไปวาเงินดีเออเอาเงินเอาท่องแกไปวาท่องแท่เอาขี่กลัวย่อมสีเหลืองไปวาท่องข่ำเอ่อเอาก่อนขี่เห็นมาวาไปวาไปผ้าเล็กไหลรือ่องสิแล้วก็ขายราคาแพงๆถ้าหากว่าผู้ใดถือต้มยังสั่นเขาเสียใจบ่เขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มเฮ้าล่ะเฮ้าเสียใจบ่เฮ้าก็เสียใจ เพราะนั่นจะโกโหกต้มตุนหลอกลวงกันเนอให้ซื้อซัดสุดจิริตตอกันเนอะผ่งเฮาอยู่น้ำกันอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติสินคอที่สี่แหบัญญัติสินคอที่หสุราเบระยะมัชชะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือคนกินเหล้าเข้าไปแล้วมันฆาจติพนวะพลข้อ่าจติแล้วทความชั่วเสียหายได้ทุกอย่าง คนขาดสติคือคนเป็นบ้าเนี่ยคนเมาเข้าไปคนเป็นบ้ามีสัตตาอาวุธมีปืนผ่าหน้าไหมเอีมีมีดมีของแหลมคมอยู่ในมือเขาเย่งเป็นคนมีโทษซะจ้ะเน่ยเข้าเข้าเข้าเนี่ยเข้าเคยไม่ได้มาทั้งไปเข้ายานต่างคนก็ต่างยานมาทไปเพราะคนขาดสติไอ้คนกินยาบ้าคั้นซ่ายาฟินเฮโรอีนท่านกินหลายๆมันเมาขคามเข้าไปแล้วคนขาดสติเป็นบุคคลที่น่ากลัวมาก คนที่ขาดสติทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ้าแม้ฆ่าลูกฆ่าเมีาเพื่อได้ทั้งในทั้งหมดพวกคนขาดสติอาทิหน้าท่านขโมยเพื่อก็ได้ทั้งขโมยของขายไผ่กระไดทั้งหมดเพราะคนขาดสติลาลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของเพื่อกระได้ทั้งหมดพราะคนขาดสติโกหกต้มตุ๋นลอกโพลเพื่อกระไดมดขีโตัวเพื่อก็ได้มดพราะคนขาดสติ เพราะนั้นสินคอทีฮาเนี่ยเฮ้าของหูจักที่แล้วว่ากินเข้าไปแล้วมันฆ่าสติเนีเพราะนั้นอย่าไปกินอันนี้สิพุถุตเจ้าผนวาไว้นะเพราะนั้นขอให้พวกคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานฟังเอาไว้เน้อะศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อยู่ไก่เฮ้าเนียอยู่เคอเคอพวกเฮ้านี่แหละอยู่กับตัวของเฮ้าคันว่าพวกเฮ้าทั้งหลายต้องการความสุขความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนในสังคมของพวกเฮ้า พวกเฮ้าควรจะมีศีลธรรมควรจะยึดเชิดชูบูชาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในกายว่าจาใจของพวกเขานะคันว่าพวกเข้าบอกอโลบในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเข้าจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนในสังคมของพวกเขา้าเพราะนั้นศีลธรรมศีลห้าของพระพุทธเจ้าคันว่าเฮ้ามาแยกแยะหรือพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้ว มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะนั้นคนโบราณโบราณเวลามีาศาสนพิธีขึ้นมาเขาจึงไหวพ้พระพอไหว้พระขึ้นมาแล้วก็กบบราบวัลย์นาตขอสินอย่างน้อยก็เป็นที่ลําลึกเอาไว้ว่าถึงจะรักษาไม่ได้ก็ให้สินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์เนออย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้แก่พวกเขาได้ฟังได้ศึกษานี่แหละ คณะว่าพวกเข้าพูนมีเป็นโดยมากผู้สูงอายุอาพอที่จะรักษาสินได้ก็รักษาสินฮาอันนี้คือสิลคุ้มครองในปัจจุบันอ น, นาคตนะครับว่าผู้เลอมีศินและ้ะพลวิสีเลนะสุขติมยันติผู้จะไปสู่สุขติใดเพราะสินสีเลนะโพกสัมปทาคันผู้เลอมีศินจะมีโพคะสมบัติสีเลนะนิพุติงยันติ ผู้จะไปสู่นิพพานได้ต้องเป็นผู้มีศีลสก่อนเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นพื้นฐานของคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นคนโบานราณเพื่อนเพื่อพวกเข้าลูกหลานทั้งหลายรักษาศีลสก่อนถึงจะรักษาได้ชั่วช้างกระทบหูชั่ว ง, งูแลบลิ้นก็ยังเป็นศีลเป็นธรรมอยู่นตีกว่าจะบริสุทธิ์ใจเสียเลยเพราะนั้นพวกเข้าทั้งหลาย นธาธาญญาักทายงโย้มท้งร้ายรู้เราศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรฮตตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พ่านํำสมาทานศีล น, นะนัจจนนินะ่นานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้รวมพลังรวมจิตรวมใจรวมความพร้อมเพียงสามัคคีสละสละทุนทรัพย์ เพื่ อ, อจะซื้อเครื่องมือแล้วก็ตกแต่งให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ เ, เ<อ>พราะว่า พ, <ว>พวกเราจะคอยแต่เอาเงินของรัฐบาลหรือเอาเงินส่วนกลางมาบูรนะก็ไม่เพียงพอเพราะเราคอยมานานแล้วอแต่มาคราวนี้พวกเราจะลงขันกัน คนละมากคนละน้อยวันพุ่งนี่แหละจะเห็นกันว่างั้นอ่ะปวดวันพุ่นี้พวกเราจะรู้กันว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกฝุกท่านนะที่มาร่วมฟังธรรมเทศนานด้วยว่ามาฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวสัมมนานิยกถานในวันนี้กลับไปแล้วก็ไปปรึกษากันพ่อแม่ลูกพวกเราจะเสียสละ อสาธารณชนต่อชุมชนของพวกเราได้อย่างไรพราะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีแต่เอาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องเสียสละบ้างการเสียสละก็ไม่เห็นจะหนักหนาอะไรหลวงพ่อว่าจ่ายไปคนละสองสามพันก็ยังได้เนี่ยพอจ่ายเข้ามาแล้วเนี่ยเราซื้อเออเรามาทําคุณประโยชน์นี่หลวงพ่อว่าบางบางทีหลวงพ่อไปบางแห่ง บางทีเราซื้อหวยหรือซื้อเบอร์เนี่ยเรายังซื้อเป็นสี่ห้าร้อยซื้อเป็นพันสองสามพันเราก็ยังเคยมันเคยผิดภาคมาแล้วแต่นี่เราเสียสละเอเพียงสองสามพันบาทสี่ห้าพันบาทพอเสียสละไปแล้วนะเราสบายใจนะในการทําคุณงามความดีเนะี่ยเราเสียสละไปแล้วเราสบายใจเออเราได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้แก่ประเทศชาติมืม แต่เราทำบุญในพระพุทธศาสนาเราก็ได้ทำมาแล้วแต่บัด น, นี้เราทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนไม่ได้เลือกว่าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยอถอนฟันบ้างขูถินปูนจับฟันบ้างดูแลฟันของเด็กบ้างล้วนแล้วจะมีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมพวกเราทางนั้นเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ให้เตรียมกระเป๋าไวนะ้เนอมาร่วมกัน ตักบาดเสร็จแล้วร่วงกันมาทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อหาทุนบำรุงอนามัยของพวกเราละวันพรุนคงจะมีจะได้พูดเรืกล่าวกันอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็คือวันพรุนนี้ในเมื่อถวายผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินก่อนนี้ก็จะมอบให้แก่คณะกรรมการเพื่อดูแลอนาัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในกลุ่มของพวกเราเนี่แหละเป็นหลักจากนั้นพระสงฆ์ก็คงจะอนุโมทนาให้พรเสร็จแล้วก็จบพระสงฆ์ก็ต้องเสียสละเหมือนกันพระสงฆ์ก็บางทีพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ก็ต้องมาอาศัยอนาใัม่พี่น้องทางหลายก็ต้องมาอาศัยอนาใหม่เพราะนั้นทุกคนไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าคณะสัพทา ย, ยาจวง ร่วมกันเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนกลางเอาไว้นะถ้าว่าพวกเราทํากันได้อย่างนี้รวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองชุมชนของพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะอาศัยความพร้อมเพียงสามัคทีกันแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่จะเอาอย่างเดียวโดยไม่มีการเสียสละต่อชุมชนต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราคงไม่เติม จะล่อยล้อด้วยว่ า, ายืนเหมือนกับต้นไม้เนี่ยใครๆก็มีแต่เอาเปลือกเอาแก่นเออเอารากเอาใบของมันไปทาประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ต้นไม้เนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะเหตุไทเพรต่างคนก็ต่างเอ า, เอาอันนี้ก็เหมือนกั น, นประเทศชาติไม่มีใครเสียสลัเพื่อประเทศชาติประเทศชาติก็ จะอยู่ลําบากเหมือนกันนะ เ, เหมือนกับต้นไมป้ประเทศชาติประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนต้นไม้ใหญ่มีดว้วงมีนอนมีอะไรเกาะทั้งเจาะทั้งชัยแล้วต้นไม้จะอยู่สมบูรณ์ได้อย่างไรน่ทางพอพวกเราช่วยกันใส่ปุ๋ยใส่น้ํำการมะโรงการมะแรงกันสิ่งที่จะมารบ ก, กวนแล้วก็ป้องกันเสียสระหาปุ๋ยมาใสา่นี่แหละ แตที่พวกเราจะทำวันพุงนี้ก็คือพวกเราหาปุ๋ยมาใส่เพราะงั้นแหะหา ป, ะปุ๋ยมาใส่อ่อนน้ามารดมารดต้นไม้แล้วก็เราเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนกลางแล้วถ้าว่าส่วนกลางของเราเป็นถุดแผ่ขึ้นมาแล้วนั่นแ่ะพวกเราก็เข้ามาพึ่งพาอาศัยมาทามาฉีดมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราเราก็อบอุ่น เพราะอาณาไม้ของเราที่อยู่ใกล้บ้านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือตลอดถึงหมอผููดูแลรักษาที่พวกเราเสียสละครั้งนี้ก็เราก็เห็นว่าหมอที่อยู่ในอนามัยแห่งนี้เป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องประชาชนพวกเราจึงได้เสียสละ ทุนทรัพย์ด้วยการจัดผ้าป่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าว่าหมอมีแต่หน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่ช่วยเหลือชุมชนสังคมพวกเราคงจะไม่มีแกจีบแกใจที่จะเสียสละให้แกอนาคตแต่นี่หมอมีคุณภาพพวกเราไว้เนื้อเชื่อใจเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้สละทุนทรัพย์เพื่อจะหาทุนทรัพย์ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือดูแลหรือบำรุง อนามัยแห่งนี้ให้เทียมเท่ากับอนามัยอื่นๆที่เราเคยพบเคยเห็นในสถานที่ต่างๆวันนั้นวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันที่พวกเราจะได้รวมพลังกันนะและก็พร้อมกันปีนี้นะ่ะหลวงพ่อเองก็ได้เสียสละแต่ปีก่อนๆไม่ต้องพูดถึงนะหลวงพ่อเสียสละมาตลอดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อเตียงอย่างโรงพยาบาลศรีนครินหลวงพ่อก็ได้หาทุน ทั้เครื่องไม้เครื่องมือทั้งเตียงทั้งเครื่องมื อ, อแล้วก็ต่างมูลนิธิขึ้นมาเป็นหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นตัวนั้นก็ใช้เงินมากโดยเฉพาะดูแลบารุงเครื่องไม้เครื่องมือในตึกสงหมดป่าไปเกือบสิบว่วล้านาทั้งตกแต่งภายในแล้วก็หาทุนให้อีกมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นอันนั้นก็เงินไม่ใช่น้อย แล้วก็หาเงินได้อีกทุกปีปีละครั้งเพื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ใช้เงินในเมื่อจำเป็นทําฟันบ้างาแล้วแยาราคาแพงๆทิมทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะให้ทั้งหมดให้เพียงครึ่งเดียว เ, เงินกองทุนก็เอาเสริมว่าปีอีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือมีความจาเป็นจะต้องดูแลพระสงฆ์ อันนี้หลวงพ่อได้หาทุนช่วยโรงพยาบาลศรีนครินปีที่แล้วเนี่ยก็ะเด็นสองล้านห้านะทอดผ้าป่าอแต่ว่าการใช้ผวหลวงพ่อทราบว่าใช้ก็คงใช้ประมาณปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยใช้ประมาณล้านแปดล้านเจ็ดล้านแปดนะอแต่ว่าปีที่แล้วเราหาทุนให้ได้สองล้านห้านะและก็ก่อนก่อนไปนะเราก็ได้หาให้แล้วก็คงจะหาให้ทุกปีอคงจะไปชุมคณะสง์ นี่แหะพระสงก็ไม่ได้นิ่งดูดายเหมือนกันและจะได้มาพูดถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรปีนี้นะเนี่ยปีก่อนไม่ต้องพูดนะเออเรื่เครื่องเซนท่านมอนิเตอร์ว่างเรื่องสองกล้องห า, มาเมล็ดในระยะแรกเครื่องโอลิมปัสนะโอลิมปัสเนี่ยราคาถึงสามล้านกว่านะเออแล้วก็เซนท่านมอนิเตอร์เนี่ยตัวละสองล้านกว่าซื้อสองตัวตั้งสี่ล้านสนีะ่แต่คราวนี้ หมอโรงพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยไม่มีเครื่องพ่าตัดหัวใจเครื่องพ่าตัดหัวใจไม่มีในโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดในถิ่นนั้นน้องคายอุดรสกล น, นคร น, น้องบัวลําพูจังหวัดเลยบางส่วนแต่ถ้าว่ามีเป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอกอย่างนี้เข้ามาอุดรหมอรองก็ต้องอันดับแรกก็ต้องให้ยาใต้ลิ้นได้ก่อน พอกินยาแต่ดินพอคลายหัวใจจะเกิฉีดยาคลายกล้ามเนื้อจากนั่นก็มาเรียงคิวเข้าโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์หัวใจะศูนย์หัวใจศิริกิจขอนแก่นอ่าอันนีค้คือโรงพยาบาลศูนย์พอหัวใจแต่อุดรไม่มีแต่มีหมอหัวใจอยู่แต่ไม่มีเครื่องมืออ่เมื่อก่อนเข้าพรรษาเขาเลยเข้าไปหาหลวงพ่อโอ้หลวงพ่ออยากจะได้เครื่องมือตัวนี้แนะ่ะแต่ว่าหมอก็มีอยู่แล้วมาจากกรุงเทพ แต่ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ไอ้หลวงพ่อพอจะเมตตาได้ไหมหลวงพ่อก็ได้ฟังเออเท่าไหร่แล้ะเขาว่าตัดเครื่องมือตัวผ่าตัดหัวใจเนี่ยล้านห้าล้านห้าแล้วก็เครื่องท่ า, า, งางหัวใจสี่ล้านสี่แสนห้าเครื่องท่างหัวใจสีเวลาผ่าหน้าอกเสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องท่างออกนะอ่แล้วก็จะทํําทาเข้าไป อันนี้ตัวสี่แสนห้าแล้วก็เครื่องช่วยหายใจอีกหกแสนแล้วก็เครื่องปอดหัวใจเทียมอีกสาม0้านห้าแต่หลวงพ่อเออเ อ, เอาเท่าที่จะหาได้ก่อนนะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปไประชุมกับคณะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรพวกอาเซียต่างๆพวกมีอันจะกิน หลวงพ่อก็ไปตั้งหัวโต๊ะเลยมื่อกีน้น่ะเกลียกร้องเชิญมาแล้วก็พูดว่านี้นะพวกเราท่านทั้งหลายโรคหัวใจนี่มันไม่ไม่มันไม่เกิดกับพี่น้องประชาชนคนยากจนเท่าไหร่นะมันจะถามพวกเนี่ยถามหาพวกรวยๆเนี่ยกินอาหารดีๆจากนั้นก็ขี้เกียจออกกำลังกายไขยมันก็จะพอกพูนทำให้เส้นเลือดไปอุดตัน ในหัวใจทําให้หัวใจขาดเลือด อ, อตายมามากๆเป็นเจ้าชายนิธามากกวามากพอหนั้นหลวงพ่อว่าพวกเราควรจะลงขานกันนะเครื่องมือตัวนี้มีความจําเป็นตอนนั้นก็ได้หาเครื่องมือได้สามเครื่องคือเครื่องหนึ่งก็คือเ อ, อเครื่องผ่าตัดหัวใจต่อรองได้ล้านสี่ แล้ก็เครื่องทางหัวใจไม่ยอมลดสี่ล้านสี่แสนห้าไม่ยอมลดแต่วก็เครื่องช่วยหายใจสองตัวหกแสนแล้วก็เครื่องอปอดหัวใจเทียมหลวงพ่อกลับมาถึงวัดก็เลยมาหาคณะสัตย์ทาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลุกหาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ดูคนนั้นบางดูคนนี้บางแต่ก็ได้มาเป็นบางส่วนแต่พอบางเอิญกระถินปีนี้ก็ อูฟูพอสมควรอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อก็เขาดลอยเลยทนเอยหลวงพ่อสบายใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอันว่าหลวงพ่อเซ็นสัญญาที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนในคราวนี้ว่างั้นแต่ยังไม่ได้จ่ายได้เดเซ็นสัญญาแล้วหลวงพ่อเองเป็นคนเซ็นสัญญา แต่ยังไม่ได้จ่ายเครื่องมือมาถึงแล้วอย่างเนี้ยแล้วมาเครื่องมือมาถึงแล้วก็ใช้งานอีกสองเดือนถ้าไม่มีปัญหาเขาจึงจะเรียกเก็บเงินหลวงพ่อจะหาเงินจ่ายให้เขานี่แหละนี่นแหละเครื่องมือแทรกหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกหมู่เหล่าถ้าพอที่จะช่วยสิ่งไหนได้หลวงพ่อก็ช่วย รงล่โรงเรียนอย่างพวกเราลุกหลานได้เห็นเนี่ยลงเรียนบั้นแหวงโรงเรียนบั้นหลุกปึ๋งโรงเรียนบัน้นเต้าโรงเรียนบันรร้นคำพีถ้าจะไล่ไปไล่เลียงไปแล้วก็มากมายทีเดียวหลวงพ่อได้มาช่วยชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหารมาคราวนี้หลวงพ่อเองเก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันภาระทุระของหลวงพ่อนี่มีมากพอมีอายุพรรษาขึ้นมาเท่าไหร่ ภาระก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆที่จะต้องรับภาระพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นน่ะเนี่ยมาเมื่อวานกันนุ่นมาดูแลองค์หลวงตาอดูแลองค์หลวงตาหลวงตาก็ไม่ค่อยสบายหลวงตามหาบัวอายุท่านกว่าเก้าสิบแปดปีเราในฐานะลูกอเราก็ไม่ได้ให้ขืออื่นไกลเราเป็นลูกศิษลูกหาเหมือนกับลูกของพ่อของแม่ ในเมื่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะโยนให้ใครเป็นผู้ดูแลลูกทุกคนก็ต้องคือหน้าที่จะต้องเข้าไปดูเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะช่วยแก้ไขอย่างไรจะช่วยเหลือได้อย่างไรจะติดต่อประสานแพทย์หมอได้อย่างไรจะอำนวยความสะดวกกับพ่อแม่ของเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือหน้าที่ของหลวงพ่ อ, อได้เข้ามาดูจากนั้นเสร็จแล้วก็ได้มา ลองมากราบหลวงอาหลวงปูจ่จามแจกเสร็จแล้วกันน่อเมื่อวานลงไปนู่นอำเภอสตึกบดีลําำแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ได้เทศที่ศาลาตึกของศาลาของท่านทรงที่เป็นลูกศิษย์หลวงปูล่ลาภของเราเนี่แหละอะจากนั้นพอฉันจังหารเสร็จพรุ่งนี้วันนี้หลวงพ่อก็ลงไปนู่นไปโพราด ไปนู่นไปเห็นยญ้าโมคน่ะแอนุสาวรีย่าโมใกล้ๆแถบนั่นหละเขานิมบนไปจากนั้นหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาถึงที่นี่สี่ห้าโมงเย็นวันงนี้แล้วก็กลับไปหาที่พักแล้วก็กลับมาอีกเ น, นี่ยนี่แหละกิจธุระพาละของพระไม่ใช่ของสะดวกสบายเท่าไหรนะะ่นะคณะสัาญญาตยายาิโยมลูกหลานนะ่ะยุ่งพอสมควร อย่างวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็พูดแล้วพูดอีกเหมือนกันโอ้ภาระของหลวงพ่อมากนะติดธุระที่แรกว่าจะเอาแต่แต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไปไม่ได้หรอกเพราะมันภาระของหลวงพ่อมีเอาเถอะให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทาั้งหลายทำไปเถนะ่ะนักหลวงพ่อคงไปไม่ได้แต่ในคณะกรรมการจัดงานเขาบอกว่าหลวงพ่อว่างเมื่อไหร่หลวงพ่อไม่รู้จะทายังไง อ่าท่าวันนั้นก็คงจะพอว่างฮะอย่างวันนี้แหละคงจะพอว่างแหมเอาเอาวันที่หลวงพ่อว่างฮงเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงอได้มาพบกับคณะรัทธายาโยมลูกหลานในอย่างที่เนี่ยแหะเพราะจนหาวันว่างว่างจนเจอวันนั้นเนี่ยเขามาว่างคำนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พี่น้องคณะสัทธายาโยมทั้งหลายได้ทราบนะเนี่ ตุปัตตุเปตุลักทุเลตั้งแต่เมืม่อวานจนไปถึงโคราชจนกลับมาที่นี่แล้วงันแต่แล้วก็วันโพนิเสร็จแล้วก็คงจะกลับบ้านเพราะพระในวัดของหลวงพ่อเดี๋ยวนี่พระที่อยู่กับปลวพ่อจำนวนสี่สิบกว่ารูปแล้วก็เป็นพระของโครงการหลวงโครงการหลวงก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวของอายุพระ อ, องค์ท่าน แปดสิบสามพันษาแต่ใ น, นทางที่ภากษาอายการเนี่ยแหละพวกระทรวงยุติธรรมเนี่อยากจะบวชน่าเพื่อเป็นวันเฉลิมพระชนพันษาในหลวงนี่ยก็ไปมอกไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อพอจะเป็นภาระได้ไหมหลวงพ่อว่าเออทําเพื่อในหลวงเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะในหลวงเป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง เราเป็นพระสุฆ์นกรได้ไม่มีปัญหาพระนั่นหลวงพ่อจึงรับนาคทั้งหมด30นาคที่จะบวชเป็นพระจังนั้นกัหลวงพ่อก็ให้จัดบริฐานให้ทั้งหมดจากนั้นก็ให้พระเป็นผู้สอนเอสาหังขานนาค เ, เสร็จแล้วก็มาบวชเมื่อวันที่สองที่วัดโพี่สมพรจังหวัดอุดรธานีบวชเสร็จแล้วก็ ให้าเลือกให้พระใหม่เลือกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอันว่าหน้าเขาไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อ13หน้าแล้วก็ไปอยู่13องค์ก็งนะั้นแหละพระใหม่จากนั้นก็ไปอยู่ที่อื่นด้วยก็เป็นอันว่าพระที่วัดหลวงพ่อนะก็มีอยู่30มสิบอยู่แล้วนะพระใหม่เข้าไปอีกรวมแล้วเป็น40กว่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงจะไม่ ใช่ลูกของหลวงพ่อก็คือลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของบ้าน อ, อมีลูกตั้งสามสี่สิบคนอย่างนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงลูกหลวงพ่อกันกันนะมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่คิดถึงลูกนะเขาอยู่ยังไงนาะเขากินยังไงนาะเออหรือเขาจะทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าน้อเนี่ยอันนี้ก็คือสมทานไม่หัวหน้าวัดเนี่ยก็ต้องคิดเ อ, อแต่จะทําแต่ก็บอกกล่าวไว้หมดแล้ว อแนะนําสัมสอนบอกไว้ท่านหลวงพ่อมาอยู่นี่เนอะขอใช่อันนี้เนอะอาหารการบริโภคอย่างนี้เนอะปัจจัยอยู่ที่นี่เนอะศูนย์เจ้าจะทะเลาะเบาแวงกันเนอะให้รักกันเนอะพี่น้องเนอะลูกหลานเนอะทุกผู้ทุกคนเนอะให้มีศีลมีธรรมในจิตในใจเนอะให้เป็นสา ก, กยบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนอหลวงพ่อก็ได้สั่งได้เสียเหมือนกับพวกเรานี้จับบ้านจากเรือนสั่งลูกสั่งหลานอย่างนั้น่ะ อันนี้ก็เหมือนกันน่ะหลวงพ่อเป็นห่วงลูกห่วงหลานของหลวงพ่อเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ห่วงแต่ว่าคิดว่าจะเปิดเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเกจึงได้มาทาธุระอย่างวันนี้ละนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้แนะนํธรรมะคําสอนของในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย อันดับแรกหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องศีลห้าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ต่อไปนี่หลวงพ่อจะพูดเรื่องการบูชาพระคุณหรือว่าต่อไปก็จะได้พูดเกี่ยวกับสมาธิให้แก่พวกเราคณะสทานญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสน า, าท่านให้ลังเลึกถึงพระคุณคือพระคุณคือบุพการี บุคคลผู้มีอุปการะก่อนผู้มีอุปการะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้แก่พวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาณัดนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือกลวงพ่อได้ยกขึ้นโพดมาแล้วอันนี้คือบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนอันไที่สองก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเคุ้มครองประเทศชาติพวกเราในประวัติศาสตร์ให้พวกเราศึกษาบอประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นมาอย่างไรปกป้องประเทศชาติมาแล้วพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขทุกวันนี้อยู่ดีกินดีมีความสุขไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเขาอันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าผนนึเป็นผู้คุ้มครองปดผู้ปกครอง อันนี้ถือว่าเป็นบุพภการีอันที่สองบุพภการีอันที่สามก็คือพ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่พวกเราพ่อแม่ให้กำเนิดเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ในเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ดูแลดิบดีเข้าน้ำโพชนาอาหารผ้านุ่หงห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัย เราต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่อันนี้ก็เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนท่านสอนทุกอย่างสอนการขับการถ่ายการอยู่การกินการหลับการนอนการเรียกผีป่าหน้าอาคือเราได้ศึกษามาจากพ่อจากแม่ของพวกเราเพราะนั้นเราจึงถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งจากนั้น อุภัาการีอันที่สี่ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนให้พวกพวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษและปีชัยประโยชน์แนะนําว่าอันนี้คือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้คุณเจ้าฟ้าหมากษัตริย์นะอันนี้คุณบิดามารดานะอันนี้คือพระอุปชาครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราจึงมีความรู้ มีความฉลาดขึ้นมากว้างขวางขึ้นมาได้เพราะต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระอุปชาครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําเพราะฉะนั้นทั้งสี่อย่างนี้ให้เราพวกเรามองตนเองถึงเราจะแสดงความประทันอยู่กตวเวทิตาอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต่อพ่อแม่ของเราต่อพระอุปชาครูบาอาจารย์ของพวกเรา อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลวงพ่อล้ำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาอย่างนี้แหละท่านองค์หลวงตาเป็นผู้แนะนําสอนแนะนําหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ได้รับความรู้ความฉลาดได้รับธรรมะจากองค์หลวงตาเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงแสดงความกตัญญูกตเวทีตาถือว่าท่านเป็นพ่อเรามาที่ไหนไปที่ไหนท่านท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่สบาย หลวงพ่อก็ต้องเข้าไปดูว่าจะช่วยเหลื อ, อยังไงจะแก้ไขอย่างไรจะประสานงานอย่างไรให้ท่านได้รับความสะดวกสบายให้หายจากโรคคาพยาธเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็จได้คิดเพราะแสดงความประทันอยู่ชวนพ่อแม่นั้นหลวงพ่อเองก็ได้ดูได้แลดได้พาท่านไปโรงพยาบาลเย็บไข้ได้ป่วยผลในสุดท่านมรณะภาพร่วงรับดับขันไปหลวงพ่อก็ได้ เผาประชุมเพลิงท่านให้สมเกียรติว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับเราจนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราก็เป็นทำตนให้เป็นคนดีอย่าทำให้เป็นคนเลวจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดอร้อนวุ่นวายอันนี้ก็คือบูชาพระคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราก็รล้ำลึกกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราก็บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียน กล่าวนอกน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในจิตในใจอันนี้แปลว่าเราแสดงความประตัญอยู่ประตะเวทิตาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ร่างขอให้พวกเราคณะญาติโยมลูกหลานทุกคนให้น้ำลึกถึงพระคุณถ้าผู้มีถ้าผู้ใดก็าตามล้ำลึกถึงพระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวนี้พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข พอเราเกิดมาจากพ่อแม่ท่านใดท่านดูแลขนาดไหนท่านให้ความอบอุ่นขนาดไหนสําหรับเราเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกหลานให้แสดงความกตัญญูให้เคารพในบิดามารดาของพวกเรามีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุ kn ัคณะสัต ย, ยาญาณโยมลูกหลานแต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกแล้วมีแต่ความวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้นีอันนี้คือการเป็นอยู่ แล้วก็เรื่องศีลธรรมอย่างอื่นที่ไหนพวกเราก็คงจะได้ยินแต่เรื่องอย่างอื่นแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยเรื่องทานทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานถ้าว่าสอนให้คนขี้ตันีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันแล้วเป็นยังไงคนในชุมชนสังคมนั้นจะหาความสงบร้มเย็นเป็นจุกไม่ได้พระสงฆ์ก็หาแบ่งปันไม่ได้อย่างหลวมพ่อเนี่ยหลวงพ่อเออ เมื่อหลวงพ่อได้จะตุปัจจัยมาแล้วหลวงพ่อก็ต้องดูชุมชนและสังคมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังว่าเนี่ยนะเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์โรงริ่มโรงเรียนที่มีความจําเป็นหลวงพ่อจะต้องเสียสละจะต้องช่วยชุมชนและสังคมใหช้ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้อยู่ชุมชนสังคมเป็นสุขเมื่อนพระพุทธศาสนา ก, ก็เป็นสุข เพราะพุทธศาสนาอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้เพราะพุทธศาสนาต้องอยู่ได้พพุทธศาสนากับชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งด้านจิตใจทั้งลูกประธรรมและนา ม, มาธรรมรูปประธรรมกับคืนเนี่ยเพึ่งพาอาศัยกันเมื่อพุทธศาสนามีคนถวายเข้ามามากนพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ก็ช่วยเสียสละช่วยชุมชน แล้เรื่องนามะธรรมพระพุทธศาสนาก็สอนอย่าทำบาปทำกรรมเนะ่าลูกหลานเนะ่าให้เป็นคนดีเนะ่าให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนะ่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนในหลักของพระพุทธศรราสนาพระพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาเนะ่าให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราเนี่ ยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่ล่าอย่างนี้นะนีท่ท่านสอนพวกเราท่านไม่ได้อบอกว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดอีกผีมีแน่ๆถ้าไทยการทํากรรมดีกรรมดีจะตามสนองถ้าไทยทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองคนนั้นเพราะนั้นเวลาขณะที่ยังเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ให้นั่งภาวนาการนั่งภาวนาทําอย่างไรเนะี่ นี่ละหลักที่สุดหลักที่สุดของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพาที่สตรแล้วในวันเดือนหกเพน 2,553 ปีให้หลังพระพุทธองค์นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพ ก, กำหนดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกทำจิตพระองค์ให้เป็นหนึ่งรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วน้อมจิตหรือว่าน้อมใจลำลึกถึงอดีตชาติเมื่อวานนั้เป็นอย่างไรวันก่อนเป็นอย่างไรปีก่อนเดือนก่อนนั้นเป็นอย่างไรพระพระธองค์รู้ได้หมดออพระพระธองค์จึงบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือนา ม, มะทัะ ส่วนรูปธปรรมคือร่างกายเนี่ยตายแต่ตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่เกิดมาต่าไรตายทั้งหมดแต่ส่วนนามธรรมานั้นไม่ตายท่านเปียร์เท ว, ว่ารูปธรรมนึ่เหมือนกับรถส่วนนามธรรมาคือตัวความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถจะไปได้จะขับไปได้ต้องอาศัยคนขับ นี้ก็เหมือนกันอตั้งกายเหมือนกับรถแต่จิตใจนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถนั้นสาคัญกว่าสําคัญกว่ารถพระพุทธเจ้าท่านจึงยกเป็นพระบาลีว่ามโนโปุพังครรมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายทเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเขาว่าใจทํานี่ก็คือตัวนึกคิดตัวผู้รู้ ตัวนึกๆึกคิดคอยู่นั่นแหะอันนั่นแหะคือใจเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นตัวสําคัญยิ่งแม่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายแต่โดยมากโลกของมนุษย์ของเราไม่ว่าทุกไหนสมัยไหนเขาไม่ได้เขามองไม่เห็นและเขาก็เลยว่าไม่มีปฏิเสธแต่ตามไม่จริงแล้ววัฒนธรรมวัฒธรรมตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคั ญ, ญอย่างยิ่งพวกเราจะต้อง ได้ฟังจะต้องได้ศึกษาเพะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านจึงให้ภาวนาอย่างองหลวงตาหลวงปู่ล่าสมัยเป็นเนนน้อยหนะลวงพ่อเนะี่ยพวกคณะสัทธาญาติรวมลูกหลานก็คงจะได้ดูหรือว่ารู้ประวัติหลวงพ่อหนะลวงพ่อเกิดมาแล้วเกิดปี88นะลูกหลานนะ หลวงพ่อเนี่ยเกิดปีแปดสิบแปดพอเกิดมาแล้วปีสองพันห้าร้อยหลวงพ่อบวชเป็นสนัมมาณิเสนบวชเป็นสนัมมาณิเที่ผูเจออ้าก่อพวกลูกหลานคณะสัตยานาิยมที่นั่งอยู่ที่นี่ฟังเอาน้าว่าหลวงพ่อพูดจริงไหมนะีบวชเมื่อปีสองพันห้าร้อยแต่อายุของหลวงพ่อช่วงนั้นก็คงจะเป็นอายุสิบเอ็ดต่อสิบสองปีพอบวชเข้ามาแล้วก็ เพราะว่าเกิดปี88ใช่ไหมล่ะกระบวดปีสอพั0ห้ระก็นับดูสิหลวงปู่ล่ามาอยู่ภูเจ้าพอปี2 5 0พารอย่าพอฉนั้นหลวงพ่อกระบวดเป็นสัมมเอ็นปีแรกเป็นลูกศิษย์คนแรกแล้วก็มีโยมพ่อของหลวงพ่อแล้วก็มีตาเทหลวงปู่เนาปีนั้นจำพรรษาที่ภูเจ้าพออ่าจากนั้นหลวงพ่อเขาได้บวชเป็นสัมมเอ็นเข้าพรรษาอ่ปี 2,500 เป็นสัมมนณ์อยู่แปดปีพอปีที่เก้าเนี่ยคบคบพระหลวงปู่ล่าก็นําหลวงพ่อไปบวชที่วัดศรีลาวิเวศจังหวัดมุกดาหารเป็นพระปีในปีศูนย์แปดพอกลับมาแล้วก็จำพรรษากับองคหลวงปู่ล่าปีนั้นไม่มีพระเลยนะมีจําพรรษาด้วยกันสององค์พระสององค์ว่างั้นเถอะจำพรรษาที่ปูงงจเจ้าพ่อปีนะั้นปีศูนย์ปดนะพอออกพรรษาแล้ว ก็มีพวกครูบามาอีกมาจากอาจารย์ศีลามาด้วยกันสองสามองค์จากนั้นหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาเยี่ยมโยมบรรดาของท่านโยมบรรดาของท่านก็คือโยมญาของหลวงพ่อเท่านั้แต่ท่านก็ไม่มีเพื่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมโยมญาของท่านท่านก็เลยบอกเออโต๊ะไปเป็นเพื่อนกับเราก็ดีนะเพราะว่า ท่านอาจารย์ลาก็มีหมูเพื่อนอยู่แล้วสองสามองค์ให้ตุ้ไปเป็นหมูกับเราสักแต่ตามไม่จริงหลวงปู่ลาท่านก็ไม่อยากจะให้หลวงพ่อไปเพราะเหตุไรเพราะท่านมาท่าจะว่าไปเหมือนกับท่านปั้นมากับมือของท่านว่า่ปั้นมากับมือของท่านเองท่านก็อยากจะให้ท่านก็อยากจะให้หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ลาแต่ท่านเกรงใจหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาตัดไปเขาไป ถ้าหาว่าไปเลยแล้วก็ให้ค่อยกลับมาน ะ, อ, ะองค์พ่อเขาไปไปอยู่ไดอยู่ได้ปีกว่าๆโยมยากก็เสียไปเลมรณะภาพพอเสียไปหลวงปู่จามท่านก็จะเคลนเชียงใหม่แต่ท่านอยู่ไม่ติดตอนนั้นแต่อยู่ที่บ้านห้วยสายท่านก็บอกเ อ, อตเออ๊เราจะกลับเชียงใหม่แล้วนะโตจะไปด้วยไหมถ้าจะไปก็ไปถ้าไม่ไปก็กลับปูจะกอดซั แต่ลวงพ่อก็อยากจะเที่ยวพรอยู่ภูเจก้อหลายปีแล้วก็อยากจะไปกับลวงอาอยากจะไปทางเชียงใหม่บ้างไนะอ้ไปก็ไปครับลวงอาจากนั้นเราถ้าไปกับเตรียมบริขาร น, นะอ้าไหนที่มันจะมันขาดขา ด, ขดทิ้งๆมาเลยแต่จะไปเอาไปมากนะมันหนักเนะี่นั้นท่านหลวงพ่อเองก็เตรียมบริขารจากนั้นก็ได้เดินทางออกไปปีศูนยะ์เก้านะอออกไปปีศูนย์เก้าปี 2,510 เสียปี09จําภาษากะหลงปู่จามนะปี08จําเป็นพระอยู่ปู่เจ้ากปี09จําภาษากะหลงปู่จามปี 2,510 เนี่ยจำประจําภาษาที่วัดดอยแม่ปังอําเภอพล้าวจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูสูจินโนไปอยู่องค์เดียวนะหลวงปู่แหวนอายุเกือบจะเข้า80แต่หลวงปู่หนูอายุเกือบจะเข้า70 ไปอยู่ปีนั้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมณีนเหมือนกันแต่ทำหน้าที่เนนทั้งต้มน้ําทั้งปัดกวาดทาความสะอาดทุกอย่างทําหน้าที่เป็นเนนเหมือนแต่ก่อนเลยเหมือนกันแต่อยู่กับหลวงปู่แหวน อ, อําเภอพร้าเนี่ยนะ่ะชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ยเป็นชีวิตที่อย่างที่พวกเราท่านลูกหลานก็คงจะไม่รู้นะอแต่หลวงพ่อเนี่ยเล่าเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นการศึกษาแต่ใ น, นพออยู่กับหลวงปู่แหวน เสร็จแล้วหลวงปู่จามเนี่ยท่านจําพรรษาที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพราะเหตุใดเพราะคณะสัทธาญาิโยมเข้ามาเกี่ยวข้องท่านท่านก็ได้เทศนาว่าการให้แก่สัทธาญาดโยมทุกวันพระในพรรษาเนี่ยท่านจะเทศวันละสองครั้งเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งพวกญาติโยมก็เข้ามาฟังเทศของหลวงปู่จามที่วัดเจดีหลวงแต่หลวงพ่อนไปอยู่เชียงใหม่ ไปอยู่ที่เอไปอยู่วัดอําเภอพล้ากับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่จามท่านก็เลยขึ้นไปรับไปรับหลวงพ่อลงมามาอยู่ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลาหลวงปู่จามท่านพ่อเนรบรรยายเนี่ยที่ลูกอาหนอมเนี่ยเป็นเนรขึ้นไปจากกรุงเทพก็เลยไปอยู่กับหลวงปู่จามหลวงพ่อก็ได้โอกาสก็เลยลาหลวงอาเนี่ย เข้าไปป่าท่านไปดูนู่นไปโยกกับพวกตะเลียงพวกป่าเมี่ยงแม่สายเข้าไปทางนู้นอำเภอเชียงดาวน์่นเข้าไปในป่าโรงพงไผ่ยอย่างนั้นอ่ะไปหาพ่อนายอยู่ตามท่ำตามนั่น่ะโอ้โหรู้สึกว่าอ ม, มันสงบวิเวกวางเวงจริงๆห่างไกลจากบ้านอย่างสุดๆวดดวงนั่นแหะอันนี้นก็คือการเดินทุ่งของหลวงพ่อจากนั้นก็นี่แหละพวกผู้ใหญ่จูงพวกญาติพีนพ่น้องเนี่ย เห็นว่าวัดป่าบ้านห้วยทายว่างเี้ไม่มีไม่มีพรนะเลยก็เลยตามขึ้นไปเออเหมารถขึ้นไปก็ไปนีมน่มูลหลวงปู่จามที่แรกหลวงปู่จามมันไม่โคตรนนะแต่หลวงปู่จามม่ตับเดียวจริงๆนะเออไม่ได้เอือเฟื้อเอือ่ออารีกับใครนะขนาดไปอยู่เมืองเชียงใหม่ถึงสามสิบปีไม่เคยเขียนจดหมายมาถึงบ้านถ้าใครจะเขียนจดหมายึ้นมาจดหมายใครเนะี่ยมาจากมาจากห้วยทายสิทิ้งเลยไม่ได้อ่านเลย ขนาดนั่นแหละหลวงปู่จามสมัยก่อนฮนะแต่ใ น, นท่านก็เห็นพวกนี้ขึ้นไปท่านก็เอา้าจะทํายังไงวะเขาบอกว่าโอ้ยขอเถอะหลวง อ, อายเออหลวงลุงเอกลับไปบ้านเถอะไม่มีพระห้วยสายไม่มีพระเลยวัดล้างเอถ้าไม่ลงไปก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ว่าตอนก่อนที่จะเขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาไปกับไปล็อบบี้ไปล็อบบี้หลวงพ่อก่อนนะเขาบอกคูบากูบาฮะ จะมาพูดในมวนหลวงลุงนะขอให้ครูบาช่วยช่วยบอกด้วยนะบอกกล่าช่วยช่วยพวกผมด้วยเอให้หลวงให้หลวงลุงกลับไปจําพรรษาที่บ้านไม่มีพระจริงๆริงนี่จะทำยังไงไหมหลวงพ่อเออจะช่วยไหมจากนั้นเขาก็มาพูดมาพูดหลวงพ่อก็เลยเขาไปช่วยไปพูดช่วยเขาเหมือนกนเถิด้ลยหลวงอาจะทํำยังไงได้หลวงอาก็มาอยู่ทางนี้นานแล้วก็น่าจะกลับไปอยู่โปรดลูกโปรดหลาน แบ้างมาอยู่ทางนี้ก็นานแล้วนี่กับผมว่าผมได้เห็นจงครัวนี่หลวงอากลับไปแล้วนะไปอยู่กับลูกหลานเพื่อไปได้แนะนําสั่งสอนเขาไปเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเลยก็ลูกหลานก็อบอุ่นนะหลวงอานะอเอา้าไปก็ไปกลับก็กลับเราก็ได้โอกาสทีนี่พอหลวงอากลับเราก็หลวงอาครับผมคิดว่าผมจะขออยู่ทางนี้สักปีสอง ป, ปีแล้วผมจะตามลง ตามหลงอาลงที่หลังครับผมไม่ได้ต้องกลับด้วยกันหลวงพ่อก็เได้กลับมาด้วยกันปีนั้นมือนกันแะก็เลยมาจำพรรษาปี2511อีกที่บ้านห้วยสายพอปี2512หลวงพ่อโอ้ไม่ไหวหรอกหรวงอาผมอยู่ในบ้านคงจะสึกแน่เพราะสัญญาอารมณ์ เ, ออมเข้ามาเกี่ยวข้องมากโปรดอนันถาว ผมอยู่ในบ้านผมต้องลาสีขาเนี่ยหลวงอาผมขอลาไปหลวงอาไปเที่ยววิเวกกอนนะหตวงอาเออไปไปไปไปท่านก็เห็นใจท่านเหมือนกันว่างั้นท่านก็ไปเลยไปเลยไปไม่เป็นไรหรอกจากนั้นหลวงพ่อเขาได้ขึ้นไปทางจังหวัดสกลนครไปอยู่กับหลวงปู่ฟั่นไปอยู่กับหลวงปู่ฉิมไปอยู่กับหลวงปู่สิงทองหลวงปู่มาหลวงปู่สมัยจากนั้นก็ขึ้นไปอยู่ต้องหลวงปู่สุสุฒน์หลวงปู่ขาว หลวงปู่บัวหลวงปู่อ่อนหลายหลายองค์จากนั้นก็เด็กข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตากปี2512ที่ว่าไปอยู่บ้านตากคิดว่าจะไม่จำพรรษานะอทีอ่ว่าไปอยู่ต้องไปดูดูสักหน่อยแล้วก็จะออกไปล่ะแต่ก็ว่าจะไปล่าอาจารย์ว่างั้นแหละเราชอบใจองค์ไหนเราจะไปอยู่กับอาจารย์องค์นั้นถ้าอุคุณอาจารย์องค์ไหนเป็นที่พอใจของเรา เ, เป็นที่ยอมรับของเราใจของเรายอมรับ อ่อนน้อมยอมรับในปฏิปทาหรือว่าทําคําสอนของท่านเราจะอยู่องค์นั้นแต่เราจะไปดูซะก่อนในใจนะจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งหลายองค์แต่และองค์นท่านก็อยากจะให้อยู่ด้วยนะเพราะเราเคยเป็นเนรมาก่อนเพราะความความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราหลวงปู่ล่าสอนมาแล้วอย่า ง, างดีเลยว่างั้นเถอะ ควรทําตนอย่างไงควรอ่อนน้อมถ่อมตนอย่งไรควรพูดจาอ ย, ย่างไรอย่างนี้หลวงปู่ลาท่านสอนกิริยามารยาทให้ทั้งหมดว่างั้นเด็จากนั้นเราก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์กันรวนแล้วแต่ท่านอยากจะให้อยู่ด้วยแต่ที่เราก็เลือกว่างั้นนะเลือกรู้สก่อนว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะมีอุปนิสัยที่จะสั่งสอนเราได้หรือในใจของเราจะยอมรับในปฏิบัติทาในแนวความคิดของท่านได้ แากน้นก็ไปดูครูบาอาจารย์หลายๆองค์จนถึงเข้ามาวัดป่าบ้านตาดพอมาเข้าวัดป่าบ้านฐานโอ้โหท่านเข่งคัดในวินญาณจริงๆเออแล้วก็ท่านดุอจริงๆเพราะงั้นเถอะในท่านไม่ได้ยินดีกับใครทั้งนั้นนะท่านเห็นก็ไปท่านดุเลยเอแข็งเลยเพราะงั้นเถอะไม่ว่าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยกลัวท่านทั้งนั้นไปเห็นนล้วเอออันนี้เข้าหลักแล้ววะก็ของจริงแนะวะที่นี่วะ S <S <S ออโอ้โงตามหาบวนของจริงนวะเขานี่วะพอดูดูเข้าไปโอ้โหออท่านไม่ได้คุ้นเคยกับใครมิทธสอนธรรมะทั้งนั้นออธรรมะที่อยู่กับหลวงปูล่ลาเนี่ยใช้คาว่าท่านสอนแบบปู่สอนหลานนะปู่สอนหลานท่านเราดื้อ ย, อยังไงท่านจะทำอย่างทั้นนะ้ำมันไม่ดีนะมันไม่ถูกนะ ต, ต้องเฮ็ดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อ ย, นอย่างนี้นะีออ่นะอันนี้คือหลวงปู่ล่า แต่ลวงตามหาบัวไม่เป็นอย่างนั้นได้ลวงตามหาบัวอย่านะอย่าทําให้เห็นอีกนะถ้าถืนทําให้เห็นอีกหนีจากวัดนะหนักวัดนะอย่ามาให้เห็นนะทําอย่างนี้นะลวงตามหาบัวท่านจะสอนเด็ดขาดอย่างนี้เลยเท่านั้นเถอะเออนี่สิยังเป็นอาจารย์ไงจากนั้นหลวงพ่อก็เลยอยู่จําพรรษาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบสอง จนถึง 2,525 25เป็นเวลา14ปีอยู่กับองค์หลวงตามหาบวชจากนั้นจึงได้ย้ายไปอยู่จึงได้ขอลาท่านไปจังปัญสาทางอำเภอน้ำโสมนาอยู่ทุกวันนี้นะหลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นก็เป็นเวลา30กว่าปีแล้วนะอยู่ที่นู่นนะอันนี้แหละคือประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อที่ บอกกล่าวเลยว่าให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาอแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยวงพ่อเขาได้พูดวันนี้นะทําไมหลวงพ่อชื่ออินทวายะทําไมหลวงพ่อจึงชื่อว่าอินทวายหลวงพ่อบอกว่าเอออันนี้อินทวายเนี่ยคุณแม่ชีแก้วสมัยก่อนท่านมาจําพรรษาอยู่ที่ภูเก้าเนี่ ย, นะนะนะย่ะกับลุงจานพันุ์่เออกับคุณย่าขอหลวงพ่อเนี่ยน ะ, นะแล้วก็คุณยายยิ่ง ไม่ชีวิตห้าหกคนหลมพ่อหลวแม่กขึ้นมาจังหารท่านทุกวันพระ เ, ร ม, เมื่อมีโอกาสท่านก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อไว้ชื่ออินทวายหลวงพ่ออึ้งในคนทุกวันนี้เขาก็ถ้าไม่ชอบใจเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่แต่หลวงพ่อเอาเถอะผู้เท่าผู้แกเขาตั้งชื่อให้ยังไงหลวงพ่อยอมรับอย่างนั้นนะวะแต่ชื่อในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีชื่ออินทวายอง์เดียวเท่านี้ล่ะวะ กับแ ป, กแปลกมันกัรน่าละว่ะแหมเพราะฉะนั้นหละวะ<ม>พงพ่อจึงมีชื่อว่าอินถวายอินถวายนี่คือคุณแม่ชีแก้วเป็นผู้ตั้งชื่อให้นะนี่แหละตอนนี้หลวงพ่อมาพิจารณาดูที่ว่าพวก เ, าเราพนักฐานญาติโยมแล้วลูกหลานทั้งหลายดูที่ว่าหลวงพ่ออายุสิบเอ็ดปีสิบสองปีมาบวชบวชเป็นสนัมเาณีเป็นสนัมเาณีจุดแปดปีแล้วเป็นพระตั้งแต่ปีศูนย์แปดมาถึง ปีห้าสิบสามปีนีนะ้เป็นเวลากี่ปีพันษาพราะของหลวงพ่อปีนี้นะสี่สิบหกนะสี่สิบหกบวกแปดเป็นห้าสิกว่าพันษาอายุหลวงพอ่อ6กสิบหกปีปีนี้เพราะนั้นขอเรียนให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อในถินนี้ให้รับทราบว่าเรือนของพอ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนีเ่เป็นเวลายาวนานทีเดียวชีวิตทั้งชีวิต หลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแต่พวกคณะสัตยาญาณยมลูกหลานคงจะถามเหมือนกันมานักเนึกถามได้ใจว่าหลวงพ่อเสียใจไหมแทนที่หลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้หลวงพ่อตอบทันทีเลยหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากถ้าไม่ภาคภูมิใจหลวงพ่อจะไม่พูดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในพวกเราที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่เพราะหลวงพ่อภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ในชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตทั้งชาติทั้งชาตินี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองอได้ประพฤติปฏิบัติดำรงทรงศาสรรนาคงเส้นคงวาเพราะนั้นหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของพระพุทธศาสนา ในใจลึกๆของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรหลวงพ่อตอบไปเลยว่าหลวงพ่อภาวนาดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูญเห็นตามความตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะน า, า, า, า ส, สอนจริงๆตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านบอกว่ า, วานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วนั่งละกายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกัน เหมือนรถกับคนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้กลา่าวนี่แหละในเมื่อคนใดทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปสู่ทุกขติถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะไปสู่สุกติเนอันนี้ก็คืออย่างที่ปุเพนวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้จุตูปปตาตยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาเกิดที่ที่มาด้วยอะไรมาเกิดที่นี่ ออกจากที่นี่แล้วจะไปยังไงเพราะพระเจ้ทาท่านก็รู้ว่าการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําถ้านไถทท่ทากรรมดีกรรมดีก็จะพาไปสู่สุขคติถ้านไถทท่ตามกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปสู่สุขติท่านจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอตตังดุกตังเสยโยปัตชาตัปติทุกตัง กรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังหลวพ่อแถมท้ายอีกว่าอกตังลุกตังเสโยปัจฉาตปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังนะฟังดูนะทาไมจเขาจึงเขียนประวัติยากนะบางคน มีชีวิตอยู่น่ะทำความชั่วเสียหายทุกอย่างกินเหล้าเมายาสมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบในครอบครัวอพอกินเหล้ามาแล้วมาแล้วเห็นพันญานเอาเป็นกระสอบปลั่งเป็นกระสอบทรายซ้อมเลสเหมือนกันเอต่อแต่ทุษผู้พ่ายกันเป็นหนี้เป็นศิลพลุพลั ง, ลงสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วทาทั้งหมด อ, อันนี้แปลว่า คนเกิดมาแล้วไม่รับผิดชอบในครอบครัวทำกรรมชั่วเสียหายแต่นี้พอเขาตายไปเท่นีคนตายพวกเราได้อ่านไหม อ, อ, อ่านประวัติผู้วัยชนครน่น อ, อ, อ่านอ่านประวัติผู้วัยชนพอเขาเขียนประวัติเทนี่เขากป็จะิประว่าโอ้ยออนายนี่นามสกุลนี้สมัยเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ชั่วแสนชั่วหาความรับผิดชอบไม่ได้ กินเหล้าเมายาเอ่อเร่อการพนันเป็นนี่เป็นศินพลุนพลงังเต็มไปหมดเออหาชี้ตีไม่ได้คนคนนี้ถ้าจะเขียนอย่างนั้นก็เหมือนกับเป็นการประจานกันใช่ไหมเป็นการประจานกัน น, กนั้นแหะประจานกันเมื่อตายอย่างไรเอาถ้าถึงยังไงมันก็ชั่วชั่วไปแล้วแหละเออเราก็ควรจะเขียนยกบอดให้มันดีซะเออนายนี้นามสกุลนี้เ อ, อเขาถเรียนศึกษามาอย่างนู้นอย่างนี้ เขารับผิดชอบในครอบครัวดีมากาแล้วก็การทามาค้าขายลูกของเขารับรองรับเป็นรับผิดชอบในครอบครัวาสามีภรรยาของเขาลูกของเขามีแต่ไ ด, ด้ดีได้ดีทั้งนั้นยอดย่องขึ้นมาวกันไอคนที่อยู่ใกล้นะี่โอ้มันเขียนได้ยังไงมันชั่วแสนชัว่ว มันไม่รู้จักรับผิดชอบในครอบครัวมันเลยมันเขียนได้ยังไงไอ้คนที่เขียนก็คงจะเกยเดียวกันนั่นแหละหมูเดียวกันนั่นแหละอะนี่แหละกลวงพ่อว่าอากตะตันดุกตะตันเสยโยปัชชาตะปฏิดุกตตันกรรมช่วยอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นทําให้ลูกหลานเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังอฟององไว้นะ พราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปทำในำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วลูกหลานเขาเขียนประวัติยากไอ้คุณเขียนไปแล้วแต่พวกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละพวกเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ใกล้ๆนั่นแอละจะอักอกระอวนอะนรจะอ้วกแตกเพราะงั้นเถอะแฟนๆขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะอสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำอย่างที่หลวงพ่อนะ่ะ หลวงพอ่อประวัติของหลวงพอ่อเขียนเล ย, ยนั้นเถอะท้าให้เขียนเลยหลวงพ่อพูดให้ฟังเลยชีวิตของหลวงพ่อใครบ้างเห็นที่ว่าชั่วช้าลามกเสียหายทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายทำให้พวกพุทธศาสนามัวหมองมีตรงไหนเขียนมาได้เลยเขียนประวัติหลวงพ่อมาได้เลยหลวงพ่อท้าขนาดนั่นละ่ะพ่อหลวงพ่อเองดูแนวความคิดดูการกระทาดูการพูดของหลวงพอ่อ ดูมาตลอดสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่คิดไม่ทําและไม่พูดนะหลวงพ่อทําอย่างนั้นเพราะฉนั้นขอให้พระนศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานทุกคนนะนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่อที่อวดนะ เ, เป็นพูดตามความเป็นจริงให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาพอนานนานทีเนะี่ยหลวงพ่อจะได้มาพบมาเจอลูกหลานในถิ่นฐานบ้านของหลวงพอ่อ คนถ้าหากว่าไม่ไม่แน่จริงนะจะพูดตัวเองในประวัติในถิ่นฐานบ้านตนเองเนี่ยพูดยากนะเะพราอว่าพูดเข้าไปแล้วกลัวเขาจะเห็นว่าตัวเองไม่ดีจะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นมาแต่หลวงพ่อนี่กล้าพูดเพราะหลวงพ่อนี่ดูดูมองตัวเองดูแล้วความที่ช่วยชาเสียหายทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีคนอื่นทุกนั้นหลวงพ่อยังมองไม่เห็น มีแต่เกลือกุนหนุนว่าสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธา ย, ยาติโยมหลวงพ่อจะช่วยเหลือสิ่งนั้นนะไม่ว่าไปอยู่นาสถ า, านที่ใดไปอยู่น่าสถ า, านที่นู่นก็เถอะมีใครมีมีความจําเป็นอย่างไรปีนี้คนนั้นนะสร้างอาคารเรียนให้แก่มิคมคําสร้อยแล้วก็สร้างโรงเรียนให้แก่บั้นกล้องแล้วก็ไปสร้างโรงพยายวาลให้แก่โรงพระยาวาลมหาสนลคาม พระธาตุนาดูอาานอำเภอนาดูนมหาอชารคามนี่แหละและเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือช่วยเหลือชุมชนสังคมอันนี้เตียงวัดบาศาสนาอีกต่างหากที่หลวงพ่อจะช่วยวัดวานั้นวัดนั้นวัดนี้มีความจําเป็นอย่างไรอย่างเนี้หลวงพ่อไปช่วยไม่ได้ดิ่งดูดายฮะนี่แหละอันนี้ก็คือการเสียสละของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้คิดว่า หลวงพ่ออยากจะร่ําจกรวยเข้ามาในพพพระพุทธศาสนาแล้วมากอบมาโกยมายักมายอกอมาเพื่อส ะ, สะแสวงหาความกล่ำความรวยในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อไม่เคยคิดเลยหลวงพ่อวันลูกหลานผู้ใดก็ตามนะที่มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นผู้เสียสละนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ส ะ, สะแสวงหาความสุขในพุพพทธศาสนานะแต่การแบ่งปันนั่นนี้ เนีะยพอเราพี่น้องเมือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุหาเงินคําทรัพย์สมบัติไม่ได้เราพอจะแบ่งปันให้ก็แบ่งปันอันนั้นเป็นธรรมธดาเพราะเหตุใดเพราะว่ามีความจําเป็นเราก็พึ่งพาอาศัยเขาเขาก็พึ่งพาอาศัยเราอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้คือการเป็นอยู่เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกๆคนนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีให้มีน้ําใจ ให้มีเมตตาต่อกันถ้าพวกเรามีนักใจมีเมตตาต่อกันแล้วนั่นแหละประเทศชาติบ้านเมืองการอยู่ร่วมกันก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดแล้ววันพรุ่งนี้แหละพวกเราจะได้เห็นกันว่าพวกเราจะเสียสละกันมากน้อยอย่างไหนแค่ไหนแต่เขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าถึงยังไงก็ขอให้ได้สักห้าหกแสนด้วยเถิดหลวงพ่อเอ้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราเตรียมเตรียมไว้นะ กระตุกกระตุกเอาไว้ขนลพันสองสามพันสี่ห้าพันหลวงพ่อคิดว่าคงไม่เหลือวิสัยเท่านั้นแหละเพราะว่าเศรษฐกิจของเราก็กําลังดีอยู่เดี๋ยวนี้ข้าวก็ราคาแพงอยางก็ราคาแพงสิ่งไหนก็มีแต่แพงมันสจำปังก็แพงอ้อยก็แพงอีกต่างหากเสียสละร่วมร่วมกันก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อกลุ่มของพวกเราทําเมื่อเรา ทำกันขึ้นมาแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจไปนานเท่านานนะและการพูดแล้วกับการแสดงการกล่าวสมมมทนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะขอย้ําอีกจุดนิดหน่อยก็คือองค์หลวง ป, ปู่ล่าเคยสอนพวกเรานะเวลานั่งก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระเสียก่อนนะไหว้พระอรหงังสวากาโตสุปฏิปันโนนโมตะสะพุทธงังธรรมังสังขังจากนั้นก็กล่าวพุทโธ ธรรมโมสามโคนิพานังข้าไปเจ้าทำคุณงามความดีทุกอย่างเพื่อหวังพระนิพพานนะอันนี้หลวงปู่ล่าท่านสอนพวกเรานะจากหน้าไก่นั่งสมาธิคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทถ้าทามันไม่อยู่จิตใจมันยังปุงฟุ้งออกไปอยู่ ให้บอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีทีเอาเอาใจของเราเอาใจของเราพูดเลยเพราะงั้นแต่อย่าไปพูดออกปากนะให้พูดในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทไม่ให้มันมีช่องว่างเพราะงั้นะอันนี้ก็คือการภาวนาและอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อแนะนํำแกคณะสัตยาโยมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตามปกติวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านใน กรรมฐ า, านทั้งสี่สิบอย่างก็ได้พุโทโธธ ร, รมโมสังโโหอย่างนี้แหนี่แหละแต่ละอย่างละอย่างละอย่างแต่นี้หลวงพ่อบอกให้ทดลองภาวนาดูนะหายหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปจนถึงร้อยมันเผลิดไหมถ้ามันไม่ทํามันเผลินับหนึ่งไม่กลับหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสอง แต่มันจะเผลอแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเผลอนึงคือหายใจเข้าเนี่ยแหมมันเป็นเลขที่ใช่ไหมล่ะหายใจออกมันเป็นเลขคู่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงร้อยที่คู่ที่คู่ที่คู่ไปเรื่อยแต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์เอร์ซะก่อนนะเบอร์เบอร์ไปหายใจเข้าเป็นเลขแปดหายใจออกเป็นเลขเก้ามันเผลอได้นั่นนะไม่ได้แล้วต้องเอาใหม่แล้วต้องตั้งต้นใหม่ ตั้งตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกไม่ให้เผลอแต่มันยังเผลอได้อยู่บ่อยๆเเนี่ยไปตั้งไปละคำสองคาเผลอเนี่ยอย่าไว้ใจนะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลูกหลานทุกคนศรัทธาญาติโยมทุกๆท่น า, า, ทททานนะให้ภาวนาให้เข้มแข็งบริกรรมพธิโตถ้าเราพวกเรานับถึงร้อยเราไม่เผลอเออนั่นละ่ะสติของเรา หนึ่งนาทีแล้วไม่เผลอต่อไปก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทางจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เ, เมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะเราจะรู้ได้โดยตัวเองว่าเออตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกกายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนรถกับคนขับรถจะเห็นได้ชัดในวันนั้นนะเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เรื่องภาวนาเนี่ยเ่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนภาวนาเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่ล่ามานมนานนะให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบหนะในระเบีเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ใจของเรานเนี่ยจะไปสู่บาปไปสู่บุญนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราสร้างสัมสมแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญเข้าสู่จิตใจนะการพูดการกล่าวสมุดธนิยกถาในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลา ขอยุดติด้วยอำนาจคุณพัชรีรัตน์ตรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเทิน